เพราะอะไรเพราะว่ารูปประคันมันเป็นภาระจะต้องหากับพลินกราหารมาบำรงมาดูแลมารักษาแล้วเวทนาขันน่ะสัญญาขันสังขารขันก็ไปเที่ยวหาพรรษะเที่ยวหาพรรษาให้เวทนาขันสัญญาขันและสังขารขันถ้าวิญญาณน่ะหานามหาฤทธเพื่อจะให้วิญญาณเนี่ยเป็นตาเพราะฉะนั้นผู้ที่บริหารขันห้านับว่าเป็นผู้บริหารมหาภาระภาระแปลว่าอะไร แปลว่าของหนักภาระโดยสา์นี่แปลว่าหนัก น, นั่นเราก็ต้องบ ร, บริหารของหนักๆต้องหาบหาบน้ําเนี่ยคนหนึ่งหาบน้ําถ้าคนที่เขาหาบน้ําอย่างจริงเนี่ยก็ยกี่สิบสามสิบกิโลใช่ไหมแต่คนที่หาบขันท่านี่กี่กิโละนะั่นคำอ้วนสมเท่าไร น, นะสามสิแปดใช่ไหมคอ้วนสามสิบแปดเนี่ยนะอว่าโหเลดมากเลยสามสิบปดกิโลเนี่ยนะ ก็นเนี่ยอย่างน้อยก็หาบเท่าสามสิบแดกิโลนะนี่น้อยที่สุดนะคนอื่นก็ตามสมควรก่ฐานนะบางคนก็แปดสิกิโลเนี่ยนะนะไปไหนก่าหาเป็นไป น, นะมีอยู่คนนึ่งโอ้โหร้อยกว่ากิโลบางคนร้อยี่สิกิโลอ่ะคิดดูเนี่ยนะหาบปอ่คิดดูนนะหดดมหาอันนี้รุ่ยตะขันนะแล้วเวทนาขันอนะ่ะโอ้โหหอบไปเถอะหอบ ทุกคเวธนาหอบสุ ข, ขเวธนาหอบอุเบคาเวธนาเนี่ยโอ้หนักจริงๆนะหอบเวธนาโดยเฉพาะทุกขเวธนาเนี่ยนะโอ้ยหนักมากหนักมา ก, ก, มากเคยเสียใจไหมนั่นแหละโอหนักไหมเวลาแบบไอความรู้สึกที่เจ็บปวดเนี่ยนะเจ็บปวดทางกายเจ็บปวดทาง จ, จิตใจเนี่ยโอ้ยมหาภาระจริงๆเลยแล้วอะไรอีกสัญญาขันเนี่ยหอบหนักไหมโดยเฉพาะอากุศลสัญญานี่มันหนักมากเลยนะ อยู่ๆและการมสัญญามันเกิดพยาบาทสัญญามันเกิดวิหิงสาสัญญามันเกิดเนี่ยอ้หนักมากๆเลยอตัวอกุศลสัญญาตายกรรมเมจีกรรมโนกรรมเนี่ยถามว่าหอบหนักไหมเจตนาเนี่ยหนักมากแล้ววิญญาณขันไหนโอ้หนักจริงๆอ่ะนะเพราะว่าวิญญาณขันต้องอาศัยนามกับรูปเนี่ยนะเราต้องไปแต่งนามแต่งรูปให้มันดีเพื่อที่จะให้วิญญาณขันเป็นไปได้ั้นการบริหารขันห้าการดูแลขันห้าเพื่อตังตรักว่าเป็นของ หนักจริงๆแต่ขนาดนั้นคำว่าสัตว์ก็แปลว่าผู้คล่องในขันท่าหมูสัตว์ท <stubborn> er ั้งหลายก็คือผู้คล่องในขันท่าถึงหนักแต่ก็ชอบชอบแทบชอบแทบที่จะแบกหนักๆให้เบาๆไว้เอาหรอกชอบที่จะแบกแบบหนักๆนั่นนะก็นี่แหละมันเป็นอย่างนี้แหละผูุชนทั้งหลายวิปปัลลัถือของหนักเป็นของเบาถ้ายักษทั้งหลายท่านเห็นว่าขันท่าเป็นของหนัก น้อมไปในพ่านี้ผ่า น, นเป็นสภาพที่เบาเนี่ยนะสภาพที่เบาอันเราทั้งหลายมีความสุขกับความเจยบรวดไปเรียบร้อยแลย้ว <c oughs> <c oughs> เป็นความวิตรลาดแต่ว่าพระ อ, องค์ไม่เป็นอย่างนั้นพระ อ, องค์ก็ ปฏิญาณว่าชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายพัะจจะไม่มีการบริหารขันอีกต่อไปผมก็ดีใจนะที่ได้เปล่งอาสภิวาจาตอนหลังปัจเจกขณะยานเกิดขึ้นก็ดีใจอีกว่าจบวันทีแม้แต่ตอนที่เปลมายุสังขาระอผ์ก็ดีใจและหลังจากนั้นอีกแม้แต่ตอนปริณิพานพระอผ์เสียใจไหมที่ปริณิพานไม่เสียใจเลยนั่นเป็น เป็นความสุขของพระองค์ที่ปล่อยจากการยึดถือสังขารแล้วเนี่ยนะเสียงอบายภูมิก็ไม่ได้ลดลงเลยใช่ไหมหนกกาทั้งหลายคือจะทํามพรคุณเจ้าว่าตอนที่พระพุทมิลภาคทรงประชวนที่มีอาพาธมากเนีเจ้าค่ะท่านทําไมไม่เข้าสมาบัติเจ้าค่ะถ้าเข้าสมาบัติก็ไม่ต้องปรินิพานคือคือพระองค์เนี่ยปล่อยหมายความว่าจะประินิพานนั้นพระองค์จึงไม่เข้าสมาบัติเพราะวัตถุประสงค์ต้องการจะ ปรินิพานพ้ะองค์ตัดใจเพื่อที่จะปรินิพานแล้วเพราะฉะนั้นก็มันเหมือนอะไรนะเหมือนกับคนที่ต้องการจะตัดบางอย่างก็ต้องยอมบางอย่างออกไปเนี่ยนะแต่ตอนที่พระเจ้าสุภัธนะจะปรินิพานนี่ท่านเข้าสมาบัติก่อนไม่ใช่แต่เจ้าค่ะเราก็ถึงจะปรินิพานพระองค์ก็เข้าสมาบัติพระพุทธเจ้าก็เข้าสมาบัติก่อนปรินิพานแต่ถ้าระหว่างนั้นมีการเข้าสมาบัติอยู่ตลอดจะไม่ปรินิพานนะะ พระ อ, องค์เนี่ยประสงค์จะปรินิพานทั้งอะไรที่จะประสานเพื่อให้ไม่ปรินิพานพระ อ, องค์จะไม่ทําก็คือตัดอะตัดตั ด, ต, ดตัดออกไปอะไรที่จะทําให้สังขารมันดํำรงอยู่ต่อไปได้พระ อ, องค์จะตัดออกทั้งหมดเลยนะเพราะพระ อ, องค์ประสงค์จะปรินิพานต่อทีนี้ก่อนที่จะดับขันปรินิพานที่กุสินาราตรงนั้นเนี่ยนะพระ อ, องค์เข้าสมาบัติหาประมาณนี้ได้นะเข้าสมาบัติเยอะมากอย่างน้อยก็สองล้านสี่แสนกน สล้านสี่แสนโกดสมาบัติเนี่ยนะในการเข้าสมาบัติวันนั้นเนี่ยใช้เวลาไม่ไม่กี่ไม่ไม่ถึงสองเอ่อไม่ถึงสักกี่ชั่วโมงเนี่ยไม่ถึงสามสี่ชั่วโมงเนี่ยเพองเข้าสมาบัติเป็นแสนแสนโกดล้านสมาบัติเน่ยนะสองล้านโกดแสนสมาบัติน่ะนะโอ้เข้าสมาบัติมากจริงๆในตอนนั้นแต่ว่าสมาบัติที่เข้าในตอนท้ายเนี่ยยังไงก็เยียวยาอัตภาพให้ร่างกายเป็นไปไม่ได้ ถาว่าเพราะอะไรเพราะว่าพราะองค์ได้เปล่งไปแล้วเนี่ยนะได้ตัดชันนราคาแล้วไม่มีการประสานแล้วก็คือพร้อมที่จะให้แตกทําลายเลยเ น, นี่ย น, นะเพราะองค์ประสองค์อย่างนั้นทีนี้ย้อนกลับมาว่าข้ออบุพพนิมิตต่างๆอีกนะว่าตอนที่พระองค์ประสูตรเนี่ยหมื่นโลกธาตุก็หวั่นไหวใช่ไหมโลกธาตุหวั่นไหวเป็นบุพพนิมิตแห่งอะไรเอ่ย สัพพัญญุตยานเนี่ยนะสัพพัญญุตยานของมหาบุรุษหรือของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าหมื่นโลกธาตุที่หวั่นไหวนั้นเป็นบุพนิมิตแห่งสัพพัญญุตยานที่อย่างรู้อดีตอนาคตและปัจจุบันโด ย, ไ ม, มดยนะไม่มีที่สิ้นสุดเนี่ยนะไม่มีที่สิ้นสุดข้อที่เทวดาทั้งหลายมาประชุมในจักรวาลเดียวเป็นบุพนิมิตแห่งการปร ะ, ประชุมรับพระสัทธรรมเดียวในคราวที่สองประกาศธรรมจักร คือเวลาที่พระองค์แสดงพระธรรมจากเนี่ยมเทวดาทั้งหลายก็มาประชุมกันนะเพื่อที่จะรับพระธรรมเทศนาตอนที่พระองค์เปิดศู่นี่เทวดามาประชุมฉันใดตอนที่พระองค์แสดงธรรมจากเทวดาทั้งหนายก็มาประชุมฉันนั้นส่วนข้อที่เทวดาทั้งหลายรับก่อนรับพระโพธิสัตว์ก่อนเป็นบุคพนิมิตแห่งการได้รูปปาวจรชานทั้ง4ก็เป็นการได้รูปปัจจานส่วนมนุษย์รับในภายหลังก็เป็นบุคคนิมิตแหง่ง อะรูปาวจรข้อที่พินพินเนี่ยที่เขาขึงสายไว้เสร็จพินพินมีเสียงดังเองเป็นบุพภนิมิตแห่งอ น, นุบุพพาวิหารธรรมเก้า 9, ก็คือตั้งแต่ปฐมฌานไล่ไปจนถึงสัญญาเวทานิตานิโรธหรือการดับสัญญาและเวทนาข้อที่กลองกลองที่มีหนังเนี่ยนะกรองดังเสียงดังขึ้นเองเป็นบุพภนิมิตแห่งการท่ำสอนด้วยธรรมเพรียัใหญ่ในใอย่างที่พระองค์กล่าวกับ ช้ำอะไรนะอุปการชีวคิดไหมว่าพระองค์จะไปที่เมืองพาราณสีเพื่อจะไปตีกลองแห่งอมะตะเนี่ยนะเพื่อจะไปตีกลองแห่งอมะตะธรรมนนั้นพระองค์ก็เลยได้ประกาศธรรมจักรเนี่ยนะประกาศอริยสัจธรรมด้วยการสอนที่ยิ่งใหญ่สอนอยู่ทั้งหมดเท่าไหร่บรรลืกลองแห่งอมะตะเนี่ยบรรลืดังแค่ไหน 45, สี่สิบห้าพรรษาโดยที่พระองค์ ตีกลองแห่งอมะตะกับพระภิสูจน์ทั้งหลายช่วยกันตีกรองแห่งอมะตะแต่พระ อ, องค์ตีกลองอยู่สี่ิห้าพรรษาแล้วก็หลังจากนั้นก็มียังผู้รับถ่ายทอดในการตีกลองแห่งอมะตะดังมาเรื่อยจนถึงในยุคนี้ก็ยังมีกลองแห่งอมะตะดังอยู่เนี่ยนะแต่ว่าก็ไม่ค่อยประสองค์อมะตะแต่ว่าเสียงกลองแห่งอมะตะก็ดังอยู่เรื่อยๆเนี่ยนะไม่ขาดระยะส่วนข้อที่พันธนาการคือคือขาและโซ่ตรวนเป็นต้นขาดออก อบอกว่านักโทษทั้งหลายที่มีโซ่ตรวนขึนขงขังเอาไว้เนี่ยน ะ, ะโซ่ตรวนเหล่านั้นก็ได้หลุดได้ขาดออกไปอันนี้เป็นบุพนิมิตรแห่งการกัดอัศมิมานะเออมาณะนี่เหมือนเหมือนโซ่ตรวนที่มันยิ่งใหญ่เรืองเลยนะโซ่ตรวนที่มันรัดแน่นมากลวเนี่ยมาณะนี่ไม่ธรรมดาจริงๆ กมูสัตทั้งหลายเนี่ยถ้าปฏิญาณสามารถปฏิ บ, บัติได้แต่ภาษาริบุตรเนี่ยนะสมานสมาทานเจริญภาวนามีจิตเสมอด้วยแผ่นดินมีจิตเสมอด้วยน้ำมีจิตเสมอด้วยไฟมีจิตเสมอด้วยลมเมืนเดิมถ้าตัดมานะได้ขนาดนั้นเหมือนโคเขาขาดะนะเหมือนพระเชตุรีเป็นต้นเนี่ยโหจะดีขนาดไหนใช่ไหมแต่ว่าไม่ง่ายหรอกมานะนี่เป็นธรรมชาติที่ยิ่งใหญ่จริงๆนีนะเออความยิ่งเออความถือตัวความสําคัญตนเนี่ยไม่ธรรมดาว่า แต่คนที่มีมานะเนี่ยนะมานะมันก็แบ่งสามกลุ่มใช่ไหมมานะว่าเลวกว่าเขาเป็นโรคน้อยเนื้อต่ําใจว่าทําไมเราเนี่ยสู้ใครใคก็ไม่ได้สักคนเดียวนี่ก็มานะเอ้มันก็เท่ากันหมดนั่นแหละอันนี้ก็เป็นมานะอีกชนิดหนึ่งเราเหนือคนอื่นหมดเลยอันนี้ก็เป็นอมานะทั้งหมดเนี่ยนะมานะคือสําคัญพระองค์นี้ไม่มีมานะเลยอย่างสวนทิศกษัตริใช่ไหมพระองค์ก็บอกว่าเพราะว่าไม่มีมานะในหมู่สัตว์ผู้มีมานะเนี่ยนะ บอรับโดยที่สุดแม้แต่มแตมลงตอ่งมันยังมีมานะเลยนะมีหางอยู่หน่อยเดียวนะข้างนั้นก็ยังมีมานะโดยอาศัยหางอยู่หน่อยเดียวเนี่ยนะมีอะไรบ้างที่ไม่เป็นที่ตั้งแห่งมานะไม่มีอกหายากเต็ทีข้อที่คนทั้งหลายหายจากโรคต่างๆเป็นดุพนิมิตแห่งการปราศจากกิเลสทั้งปวงเพราะขณะที่พระองค์ประสูตินะทุกคนนี่สางไข่ยอยู่พักหนึ่งสางไข่ระหว่างนั้นคนตุ้ยที่มีอยู่ทั้งหมดเนี่ย หายเป่วยหายเจ็บหายอะไรชูพักหนึ่งนะตอนที่องค์ประสูติเนี่ยอันนี้เป็นบุพคนิวิธีว่ากิเลสนี่หายไปหมดเลยปราศจากกิเลสโดยสิ้นเชิงอ่ะนะเพราะว่าโรคคือโรคในบรรดาโรคที่มันน่ากลัวที่สุดคือโรคคือกิเลสโรคคือกิเลสเนี่ยเป็นโรคที่ยิ่งใหญ่จริงๆเยียวยาก็ยากรักษาก็วยากไม่รู้จะให้กินยาอะไรมันจึงจะหายเช่นไม่สบายใจเนี่ยนะกินยาอะไรหาย เครียดทั้งวันเลยนะกินยาใหญ่ก็อย่างมากก็ช่วยไะไรบ้างก็ยานอนหลับนี่แหละ <c oughs> หลับซอมหมดเรื่องเลยแต่ว่าถ้าว่าธรรมดาทั่วๆไปถ้าหลับมาทั้งคืนตื่นขึ้นมาไม่สบายต่อทําไง <c oughs> อันนี้ยุ่งมากเลยมึงจะแก้ลงไหนเพราะฉะนั้นโรคคือกีเลสที่มันเกิดขึ้นในภายในนี้ถือเป็นโรคที่ยิ่งใหญ่มากเป็นโรคที่รักษายากที่สุดเลยเช่น <c oughs> โรคคือความฟุง้งซ่านในรัาได้ยังไงยาขนาด น, นี้ก็เลว <c oughs> ถ้ารำหมวดนี้ก่อนแล้วถ้ารำหมวดนั้นก่อแล้วรักษายากไม่ความฟุง้งซ่านเป็นต้นเนี่ยนะอากุศลที่ตกทั้งหลายก็เป็นโรคที่รักษายากมาบ า, บาคุศลแธรรมทั้งหลายก็รักษายากเพราะฉะนั้นบุพนิมิตที่คนหายโรคนั้นพ้องนั้นหายจากกิเลสแล้วก็ยังช่วยสัตว์ทั้งหลายให้พ้นจากกิเลสด้วยส่วนข้อที่ว่าคนบอดแต่กําเนิดก็เห็นรูปได้อันนี้เป็นบุพนิมิตว่าพ้องนั้นจักมี ทิพจักสุเนี่ยนะมีมีจักสุอันเป็นทิพจักสุอันเป็นทิพเนี่ยนะก็ถ้าองประสงค์จะเห็นเท่าไหร่ก็เห็นเท่านั้นประสงค์จะดูกี่ล้านจักรวาลก็ดูได้เท่านั้นตามที่พองประสงอันนั้นเป็นทิพจักสุส่วนบอกว่าคนหูหลวกได้ยินเสียงก็เป็นบุพนิมิตแห่งทิพโสตธาตุทิพโสตธ า, าตาาุของเราทั้งหลายนะถ้ามีตาทิพเนี่ยไม่รู้จะนั่งเป็นสุหรือเปล่าไม่ทราบนะลืมตาเหลือเห็นยักเข้าเนี่นตกใจเลยนะ เมือนตาดูอีกครั้งเห็นสัตว์นรกเผาพิ่มๆพิ่ ม, ม, ม, มจะมีความสุขแค่ไหนนะเดือดร้อนมากหรือไม่ก็ได้ถ้ามีหูทิพย์ได้ยินเสียงโหยหวนอย่างนี้เราจะว่าไงนะได้ยินเสียงคนเปื่อยร้องโหยหวนเจ็บปวดด้วยความทุกข์ทรมานเปนต้นเนี่ยโอ้จะลําบากใจสักขนาดไหนแทนพระองค์นี้ดีนะพระองค์หมดกิเลสแล้วถึงมีตาทิพย์มีหูทิพย์ก็ไม่มีปัญหาอะไรอันถ้าเป็นที่อื่นๆเนี่ยนะใครจะ พอพึ่งอภพินยาเนี่ยต้องเจริ่งนี้ปััชนาให้เยอะๆก่อนนะไม่งั้นเดี๋ยวจะกลัวเขาอางั้นก็ถ้าหากว่ารู้เห็นด้วยตาทิพย์หูทิพย์เนี่ยเช่นเห็นอนมนุษย์ทั้งหลายเห็นเตลทั้งหลายมือวิ่งหนีเลยหรือเปล่ากันซ่างเพราะว่าแต่ละอย่างมันก็น่ากลัวอย่างนั้นส่วนข้อที่ว่าคนง่อยเปรี้ยสมบูรณ์ด้วยกําลังเป็นบุพนิมิตแห่งการบรรลุอิทธิบาททั้งสอันนะอิทธิบาทเนี่ยบาทแห่งฤทธิ์เนี่ยนะก็เหมือนบุพนิมิตอะไรนะครั้งก่อนฝ่าพระบาทประทับยืนบนพื้นก็เป็นบุพนิิมตแ่ง อิทธิบาตสี่ตรงนี้ก็เหมือนกันกว่าข้อที่พระองค์อะไรสมบูรณ์ด้วยกําลังคนนไอยเปรี้ยมมีแรงเนี่ยนะก็เป็นบุพนิมิตแห่งอิทธิบาตสี่ส่วนคนบ้าน้ําลายไอ้คาว่าบ้าน้ำลายหมายควาว่านั่งตรงไหนน้ำลายยืดตรงนั้นเน่ะนะไม่ใช่หมายความว่าพูดมากนะไม่ใช่บ้าพูดมากนะบ้าน้ําลายไม่ใช่พูดมากแต่หมายความว่านั่งตรงไหนน้าลายยืดลงแมะแม่เนี่ยนะพวกอย่างนี้เราเรียบ้าน้ําลายกลับได้สติเป็นบุพนิมิตแห่งการได้ สติประทานสี่เอ๊ะแสดงว่าเราถ้าไม่เป็นไปกับสติประทานสี่ก็บ้านน้ำลายอย่างนั้นนี่ยนั่งแล้วน้ำลายไห ล, ย, หล ย, ยืดลงอนะแต่ก็มีหลายคนจะดูได้ตอนไหนบอกตอนหลับเรียกหมอนเลยตื่นมาเปียกหมอเลยบางทีก็มีอย่างนั้นอยู่ยแสดงว่าก็โรคนี้ยังยังไม่ได้หายเด็ดขาดอางนั้นแต่ว่าพวกที่ปัญญาอ่อนนั่งหลายมันทําใจไม่ได้นั่งปับ๊บเลยน้ำลายยืดเลยนะเด็กๆก็เคยเห็นนะเห็นเด็กๆกันนะแต่ละคนคนอายุมากหลายแห่งก็มีอยู่ เพ็นผู้ที่คนบ้านน้ำลายกลับได้สติอันนี้เป็นบุพนิมิตแห่งการได้สติประธานสี่นะเห็นอะไรเห็นอสุภะเห็นอ น, นิจจังเห็นทุกขงังเห็นอนัตตาก็กลับได้สติถ้ามีสติจริงก็เห็นอะไรอสุภะอ น, นิจจังทุกขงังและอนัตต์จริงเรียกว่าคนมีสติถ้าไม่เป็นไปตามนั้นก็เรียกว่าลงลืมสติปราศจากสติ ส่วนข้อที่ว่าเรือทั้งหลายเล่นออกนอกประเทศถึงข่าโดยสะดวกเรือนี่ไปถึงที่หมายเลยนะถ้าออกเล่นก็ถึงที่หมายโดยสวัสดิภาพอันนี้เป็นบุพนิมิตแห่งการบรรลุปฏิสัมพิทาสีปฏิสัมพิธาสี ป, ป, ป, ปฏิสัมพิทาสีก็คือญาณที่รู้ในอัตญาณที่รู้ในธรรมญาณที่รู้ในนิรุติแล้วก็ญาณที่รู้ในปฏิพานเนี่ยนะปฏิพานญาณในญาณทั้งหลายนั่นเอง ทันข้อที่เ ร, เรือถึงท่าได้โดยเร็วพลันอันนี้เป็นดุพันิมิตรแห่งปฏิสัมพิทาสีส่วนข้อที่รัตนสว่างได้เองรัตนสว่างได้เองนี่หมายถึงอะไรรัตนคือแก้แหวนทั้งหลายเนี่ยสว่างได้เองหมดเลย เป็นเครื่องหมายว่าแสงสว่างแห่งพระธรรมที่โปรองแสดงแก่ชาวลูกนะแสงสว่างแห่งพระธรรมของพระองเนี่ยถ้าเป็นสมัยก่อนนะสมัยพุทธกาลหรือสมัยพระเจ้าโศกเป็นต้นเนี่ยแสงสว่างแห่งพระธรรมเนี่ยสว่างสว่างเต็มไปหมดเลยแต่ว่าช่วงหลังจากนั้นมาเนี่ยนะพอเสารหลังห้าร้อยไปแล้วเนี่ยเพราะคือวิธีคิดอย่างหนึ่งว่าศาสนาเกิดในโลกมันเกิดอย่างนี้ว่าห้าร้อยปีที่หนึ่งคิดเกิดขึ้นในโลกห้าร้อยปีที่สอง คือช่วงพันปีเนี่ยศาสนาอะไรอิสลามคลิปห่างจากพุทธ500ปีอิสลามห่างจากคลิป500ปีเนี่ยนะเพราะว่าพระพุทธศาสนาเนี่ยดำรงอยู่เขาบอกว่าถ้าพูดตามสูตรไหนตามสูตรคือสูตรที่พระ อ, องค์แม่อนุ ญ, ญาตให้พิสุนีบวชนะคตมีสูตรเป็นต้นเนี่ยในในเทรีปเทรีอะไร เขาา้าไปพิกคุณีคันตกาเนี่ยนะพิคุณีาานะคันธกะก็จริงอย่างนั้นนะ่ยนะพอพระ อ, องค์อุบัติเกิดขึ้นเอ่อพอคลิปเกิดขึ้นในโลกพุทธศาสนาก็ยุดไปเยอะใช่ไหมอิสลามเกิดขึ้นในโลกนี้แทบหมดเลยจริงๆพุทธศาสนาหมดจากอินเดียเพราะอิสลามอิสลามที่วฆ่าเขาบลายไว้ว่าหมดไปหมดนะแต่ก็อย่าผูกพยาบาทกับอิสลามเลยเขาก็คือคนที่น่าสงสารนะเขามาสงสารเจ้าและที่บางคนเนี่ยเกิดขึ้นมาสร้างบาปให้ตัวเองจริงๆเลย โอแล้วบัญญัติคำสอนบางอย่างไว้เนี่ยถ้าบาปเหล่านั้นให้ผลนะก็ไปเก็บไว้ไหนเนาะถ้าบาปเหล่านั้นมันให้ผลนะเนี่ยยิ่งบัญญัติลัที่มิจฉาทิถีด้วยยิ่งน่ากลัวมากๆเลยพอรั ท, ที่มิจฉาทิถีหนึ่งมิจฉาทิถีเนี่ยเครืวัดสังเกตดูจากอะไรรู้ไหมว่านั่นเป็นมิจฉาทิถีหนึ่ง ที่ไม่ทําปาณาติบาตก็ทําปาณาติบาตขึ้นหลักการตัวใดที่เป็นไปเพื่อทําอย่างนี้หนึ่งมิจฉาทิฏฐิแล้วนะสองที่ไม่ทําอาทินนาทานก็เพิ่มพูนด้วยอาทินนาทานที่ไม่ทําการเมสุมิจฉาจาร์ก็เพิ่มพูนเพิ่มพูนการเมสุมิจฉาจาร์เพิ่มพูนมุสาวาเพิ่มพูนพุสวาจาเพิ่มพูนสัมผัพปราปเพิ่มพูนปิสุนาวาจาอันนี้ก็ประกาศว่ารับที่นี้เป็นมิจฉาทิฐิหรือไปเพิ่มพูนอาภิชาเพิ่มพูน พยาบาทเนี่ยนะคือผลของมิจฉาทิฏฐิมันจะตามมาด้วยการเรื่องอกุศศกรรมบดโดยประการต่างๆมันลัฐที่ใดที่ส่งเสริมให้เกิดการล่วงอกุ u ศกรรมมาบดให้รู้เท่าว่านั่นเป็นรัฐที่แห่งมิจฉาทิฏฐิทั้งหลายเนี่ยนะแต่ก็ยากนะกลุ่มที่ที่ไม่ล่วงอกุศศกรรมบดนี่หายากนะแต่นะแต่ก็ก็น่าดีใจว่ากลุ่มของเราเนี่ยยังไม่ค่อยได้ยินล่วงกรรมบดสักเท่าไหร่เนี่ยนะมีมีโปรเจคบ้างแต่ก็น้อยมาก นะก็มีเรื่องกันแบดยอยู่ข้อเดียวคือสัมผัสตลาล่าเนี่ยที่ยังพอเหลืออยู่บ้างอ่ะนะแต่ก็ขนาดนั้นก็ลดไปเยอะแล้วละหูแต่ละคนนี่สัเรวมมากอยู่ที่บ้านพื่นมากกว่า น, นี้เยอะเนี่ยมานี้ยกลั่งวอกันหน่าดูเลยนะ้สนสวนมลเป็นหลักนะเนีย่ยนองอยู่บ้านเงียบไหมเรอไม่ค่อยได้พูดกับใครเลยนะเออดีละดีละต้องใช้ซิปเลยนะใช้ซิปเปิดใช้ซิปเปิดใช้ซิปปิ ด, อ, ปป ด, ปปดอย่างเงี้ยบบยเมเป็นจานนะเจะ้าเจ้าดีดี คุณนภาเขาก็เวลาสังเกตดูนะตอนหลังเขาก็อย่างนั้นแเลยเขาจะพูดปากก้ามือปิดปากแล้วก็กรรมบดกรรมบดคำว่าไงสมาทานไว้แล้วห่วองั้นก็าพระนก็ก็เป็นกลุ่มที่ไม่มากนัก น, นะที่รักษากุศลกรรมบทดีๆหน่อยนะที่ปฏิบัติตั้งประพฤติเปนอาชีพในการประพฤติกุศลกรรมบดพระโดลม่าเนี่ยนะเขาบอกว่ า, วามองเห็นการล่วงอาภิษฎกรรมบทเป็นเรื่องอะไรอัธยาศาัยเป็นเรื่องปกติ ใช่ดิปกติมาร้องระงม อ, อย่างเงี้ยสิ <c oughs> เอาไหม <c oughs> ถ้ารอ้ว่าอย่างนั้นนะเข้ามาสังเกตนะเวลาเสียงคนคุยกันนะโจโจโจเจไม่ใช่คุยธรรมะเนี่ยนะกับเสียงนกร้องไม่ค่อยต่างกันชาวนาที่เป็นสมุทานนะเพราะเะราเพราะคุยส่งเสริมความโลภเหมือนกัน ส่งเสริมความโกรธเหมือนกันแล้วก็เพิ่มความร่ำรวงเหมือนๆกันเนี่ยนะเพราะฉะนั้นก็เพียงแต่ว่าอาจจะคนละภาษาเท่านั้นเองแต่ชาวนะที่เป็นสมุทฐานไม่มีความต่างกันเลยเนี่ยนะไ ม, ไม่ไม่ต่างกันเลยเท่าเอาชาวน่ากับจิตตะชูดที่เปลี่ยนออกมาเนะถ้าทําปริญญาในส่วนนี้มนุษย์เท่เจอกับเดรัชารร้องก็ไม่ต่างกันพูดอย่างนี้เดี๋ยวคนอื่นเขาลาบากใจเนาะแต่ก็เราพูดความจริงนะเราก็ไม่ได้ยกตัวอย่างใครสักคนหน่อนะยกตัวอย่างตรงคนดีอห็นไคนไม่ดีเราก็ไม่ยกหรอก เดี๋ยวเขาจะโกรธเรานั่นน่ะก็เพิ่มมาพิชาก็อ้เพิ่มมเราเพิ่มโทมนัสให้กับเขาอีกเขาก็บาปหนักหนายอยู่แล้วเ้าจเพิ่มบาปให้เขาอีกจะไปไหนเนาะเดี๋ยวก็ว่าเราไปแช่งเขาให้ตกนรกนั่นน่ะจะได้สังวรขึ้นน่ะ น, นะก็ดีแต่ว่าเชื่อไหมคนผิดเนี่ยไม่น้อยคนนักที่จะคิดว่าผมผิดเองครับ ขอโทษค่ะดิฉันผิดเองค่ะน้อยบางทีนะก็แก้นั่นแหละนะนะเนี่ยนะเพราะเธอเนี่ยแหละเนะี่ยถ้าไม่มีเธอฉันไม่อย่างนี้หรอกกันะก็โยนความผิดไปให้คนอื่นหมดเนี่ยนะนะโยนความผิดไปให้คนอื่นหมดนะนะก็เพรานี่คือธรรมชาติของของผู้ที่บ่มมากไปด้วยพยาบาทประทุสร้ายผู้อื่นเป็นไปหมดเนี่ยนะนะแล้วก็บางคนนี่ก็ประทุสร้ายตัวเองอีกเหมือนกัน ปทุสร้ายตัวเองของมาจึงชอบเรื่องอะไรนะสัมมเนนกับอุปชาที่เรียกว่าอุปชาเนี่ยเอจับขอมบาอย่างแล้วไปทิ้มตาสัมมเนนแต่สมมเนนท่านก็อายุเจ็ดขวดเองนะตัวเล็กนิดเดียวเจ็ดขวบท่านเอามือเนี่ยติดตาข้างที่มันแตกถวายน้ําอยู่ข้างเดียวถวายน้ําถวายไม้สีฟันช้ามืดแก่อุปชาอยู่ข้างเดียวถ้า อ, อุปชาก็ถามมาสัมมเนนเคยบอกไว้แล้วไม่ใช่หรือเวลาตะเคียนของให้ตะเคียนสองมือ เขาบอกว่าเมืองข้างหนึ่งไม่ว่างครับบอกว่าทําไมบอกตาแตกครับบอกทําไมจึงแตกก็เล่าให้ฟังว่าตอนเมื่อคืนเนี่ยที่ที่อุปชาเนี่ยจับของบางอย่างไปข้างหลังแล้วก็ทุ่นตาพอดีเนี่ยเสแล้วบอกอุปชาตกใจเลยนะบอกสำมานเณรขอโทษด้วยนะผม อ, อาจารย์ไม่รู้จริงๆเลยขอโทษด้วยกขาบอกว่าโทษของท่านก็ไม่มีหรอกครับโทษของผมก็ไม่มีก็ด้วยเหตุผลจากทรงครอผู้อื่น แต่ในความคิดของท่านแล้วในความเห็นของท่านเนี่ยได้ลาบก็เสี่อมลาบก็เท่ากันสุขกับทุกข์นี่มันท่าเท่ากันสรรเสริญกับนินทาก็เท่ากันเพราะอย่างที่เราสังเกตุนีพ่พระราหัสนี่ก็ละโทสะได้หมดแล้วใช่ไหมตาแตกไปข้างยังไม่เสียใจเลยเอ่เพราะว่าผู้ที่ตัดฉันธราฆาในขันห้าเป็นอย่างนั้นฉันพระราหัตทั้งหลายเนี่ยเป็นกระตายเนี่ยท่านเห็นว่ามันเท่ากัน เนะเป็นกับตายเนี่ยมันเท่ากันแต่ที่ที่ยังอดํารงชนอยู่เป็นต้นก็ด้วยเหตุผลจากสรงครอบผู้อื่นแต่ในความคิดของท่านแล้วในความเห็นของท่านเนี่ยได้ลาบกระเสื่อมลาบก็เท่ากันสุขกับทุกข์นี่มันท่าเท่ากันสรรเสริญกับนินทาก็เท่ากันเพราะฉะั้น อ, อย่างที่เราสังเกต ด, ดูนะคนที่ชมเราไม่แน่นะคือคนที่ด่าเราคนที่คนที่เคยด่าเราคือคนที่จักชมเรา แล้วคนที่ชมเรานะคือคนที่จัดด่าเร า, า, เราไม่เชื่อถามใจทันตีดูเถอะ คนที่ซัดเล่นงานมาก็คือคนที่เคยชมมั่นแหละว่างั้นนะก็หลายๆคนก็เป็นอย่างนั้นก็ไม่ต้องไปคิดอะไรมากเวลาเขาชมก็นึกถึงตอนเขาด่าเราด้วยนะตอนเขาด่าเราก็นึกถึงตอนที่เขาชมเราด้วยก็จะเห็นว่าเออคาชมกับคําด่าก็เสมอกันไม่ต่างอะไรเพราะจิตเป็นสมุดฐานเหมือนกันก็จิตที่เป็นอภิชากระโโฉมนัดเหมือนเหมือนกันนั่นเลยเนี่นะท่านพระอรหันต์ทั้งหลายท่านถือว่าคําชมกับคําด่ามีค่าเสมอการอันนี้ หรือได้ราบกับเสื่อมราบก็คือสิ่งเดียวกันใช่ไหมลากกับเสื่อมราบสิ่งเดียวกันไหมวัตถุเดียวกันนั่นแหละถ้าได้มาแต่เราเรียกว่าราบถ้าจากไปเราก็เรียกว่าเสื่อมรากก็คือวัตถุเดิมนั่นแหละทีนี้ต่อไปถ้าหารท่านเห็นว่าสุขกับทุกข์นี้เสมอกันสุขนี้อาศัยอะไรเกิดก็อาศัยทวานุกูลเกิดแล้วทุกข์อาศัยอะไรเกิดก็ทวานุกเพราะฉะนั้นถ้ามีทวานุกก็เป็นที่ตั้งแห่งสุขลนนะและทุกข์นี่ยนะแล้วก็มี